เทศนาแผนที่76ลำดับที่24โดยหลวงพอ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าศึกษานอกศึกษาในา วันนี้เป็นวันที่หกันยายนพุทธศักราช2558อวันนี้เห็นขนศัศธทาญาติโยมกลุ่มเหมือนญาติกว่าเหมือนญาติคำนี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่ า, ายาตการนันแก่สังเกโหหรือว่ า, าวิสาสะ ประม า, าติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งวิษณ์สะประม า, าติความคุ้นคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งคำว่าพวกคุ้นเคยคล้ายๆกับว่าว้เนื้อเชื่อใจกันการมาอยู่ด้วยกันการคบค้าสมาคมกันพึ่งพาอาศัยกันการเป็นอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าพวกเราถึงจะ เป็นพี่พี่น้องน้องออกมาในท้องเดียวกันแต่พอออกมาแล้วเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อกันมีแต่จะหักจะล้างกันมีแต่จะข้าฟันลันแทงกันมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันในพี่น้องถึงจะเป็นพี่น้องอยู่ท้องเดียวกันก็ห่างกันเพราะเหตุไรเพราะการเป็นอยู่ของพวกเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน อันนี้ถึงจะอยู่ใกล้กันก็ห่างกันเหมือนกับคู่อยู่คนละโลกพอเห็นหน้ากันก็นเป็นอริศัตรูกันอันนี้แปลว่าไม่ใช่อยู่ผู้อยู่ใกล้กันแต่ถ้าว่าผู้อยู่ไกลกันถึงจะอยู่ขั้วโลกไหนก็เถอะแต่เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลในธรรมประกอบคุณงามความดีถึงจะอยู่ห่างไกลกัน เหมือนกับอยู่ใกล้กันเพราะมีแนวความคิดเห็นอันเดียวกันถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่มาด้วยกันอย่างนี้อย่างวันนีนะ้พวกเราเห็นพ้องต้องกันเออพวกเราไปกราบครูบาอาจารย์ในท่วงช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นชริเพื่อเป็นมงคลสำหรับพวกเราพวกเราทำมาค้าขายมาก็นานแล้วเอาเถอะพวกเราก็ควรจะเสียสละประกอบคุณงามความดี อันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องในเมื่อพวกเราบอกกล่าวกันแล้วก็รวมกลุ่มกันรวมกลุ่มเหมือนญาติบอกกันใเข้าใจกันเราไม่ได้มุ่งผลหวังผลประโยชน์อะไรมีแต่อยากจะให้พวกเราเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อกลุ่มของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงได้จับกลุ่มกัน วันนี้ฟังฟังดูแล้วตั้ง450หากว่ า, ากว่าคนาไม่ใช่กลุ่มเ น, น้อยวันนั้นถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่เดียวเป็นกลุ่มนักธุรกิจเป็นกลุ่มพ่อค้าชาวตลาดของเมืองอุราหลวงพ่อเห็นแล้วก็ภาคภูมิใจคือพวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้หมกมุ่นในการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวพวกเรายังสแสวงหาคุณงามความดีคุณธรรมศีลธรร ม, จ ร, รมจริยธรรม เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจด้วยหลวงพ่อเองเคยย้ำอยู่เสมอว่าพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้หาเงินคำทรัพสมบัติมาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงชีวิตเป็นผู้ล่ำรวยเป็นผู้ประสบสำเร็จสมความมุ่ง ม, มาดปราถนาทางโลกแต่เราเป็นผู้แ ส, สวงหาทรัพ ส, สมบัติทางโลกถึงจะได้ร้อยล้านพันล้านกวเถอะนะ แปลว่าประสบสําเร็จทางโลกเท่านั้นยังไม่ประสบสําเร็จทางธรรมเพราะเหตุไรหลวงพ่อจึงพูดอย่างนั้นเพราะพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีสิว่าพวกเราหาเงินมาตั้งร้อยร้อยล้านพันล้านนั่นแหละามาเสาะแสวงหาซัพย์มาได้แล้วก็เพื่ออะไรเงินจํานวนนั้นเพื่ออะไรเพื่อปัจจัยสี่เพื่ออยู่ดีกินดี เพื่อหาอาหารมาเลี้ยงชีพอาหารอย่างดีเสื้อผ้านุ่งห่มอย่างดียาแก้โรคภัยไข้เจ็บอย่างดีที่พักพาอาศัยบ้านเรือนอยู่อย่างดีอรอถ ล, ลามาวิ่งอย่างดีถึงจะอย่างดีทั้งหมดในปัจจัยสี่เหล่านั้นดูแลร่างกายของพวกเราอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าห้าหสิปีให ต่อไปภายภาคหน้าถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเงินร้อยล้านร้อยล้านพันล้านเหล่านั้นอยู่ดีกินดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจะเห็นผมสีขาวขึ้นมาในศีรษะของเราจากนั้นก็จะเห็นฟันหลุดจากนั้นก็เห็นตาฝ้าฟางจากนั้นก็เห็นหูตึงจากนั้นก็จะเห็นหนังเหี่ยวจากนั้นก็เห็นหลังคอม จากนั้นเราก็เป็นนอนอยู่ที่เตียงในบ้านที่หลูหลูหลาลาของเรานั่นแหละต่อ้งก็ขยับขยื่นไม่ได้ผลี่สุดก็ตายในบ้านหลังนั้นถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายมันถึงจุดจบของมันเพียงเท่านั้นให้พวกเราคิดดูให้ดีแต่นี้หลวงพ่อไม่ได้เยอะใหญ่ไม่ได้เยอะอยัน่แต่พวกเราจะคิดว่าการสาะแสวงหาทรัพย์ มากมายล่ารวยขึ้นมาแล้วจะมีความสุขน่มันสุขสุขถึงจุดจบอยู่เพียงแค่นั้นแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าจึงหนีออกจากเวียงวังพระพุทธเจ้าไม่รู้จักความสุขเหรอพระพุทธเจ้าที่ท่านอยู่ในเมืองในเวียงในวังออมีครบทุกอย่างถ้าจะว่ายิ่งกว่าพวกเราก็ไม่น่าจะผิด เหนือกว่าในการเป็นอยู่ของพระ อ, องค์แต่พระ อ, องค์ทำไมจึงหนีออกจากเวียงหวังหนีออกจากกลางคืนอีกต่างหากไม่ได้หนีแบบเยาะเยาะแยแยไม่ได้หนีแบบรูปหน้าปะจมูกหนีจริงจริงๆเห็นโทษจริงๆหนีออกจากกลางคืนไปอยู่ในป่าแม่น้ำอโนมาณทีไปบําเพ็ญอยู่ที่นั่นถึงหปีลองผิดล อ, ลองผิดลองถูกพอไปอยู่แล้วพระ อ, องค์ทาอะไร เอาอะไรไปบ้างในจุดนั้นพระองค์ไม่ได้เอาอะไรไปเลยมีแต่เอาผ้ า, าที่จะไปบวชเท่านั้นเองไม่ได้เอาเงินเอาคาทรัพย์สมบัติไม่ได้เอาแหวนเพชรไม่ได้เอาอะไรไปด้วยไปแบบโดดเดี่ยวเดียวดายจากนั้นพระองค์ก็ไปบําเพ็ญอยู่ในป่าถึง6ปีไปทดลองเรื่องจิตศาสตร์แนวความคิดของพระองค์พระองค์จะแก้ไขจะมีวิธีการยังไงจึงจะไม่ ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัดดะสงสารเนี่ยพระองค์ไปเรียนทดลองไปเรียนจิตศาสตร์แล้วนะทีนี้เพราะว่าทางร่างกายของพระองค์ลนี่ยรำรวยเพียงพอแล้วจากนั้นพระองค์ก็ออกไปอยู่ในป่าไปบำเพ็ญทังหปีวันที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ในวันเดือนหกเพนนนั้นนะ่ะวันนั้นเป็นวันสูตรสำเร็จของพระพุทธเจ้าที่ท่านนั่งคัดสรามทิท่านนั่งเหมือนพระประธา น, นที่นั่ง อยู่ต่อหน้าของพวกเราเนี่แหละพระพุทธองค์นั่งอย่างนี้แหละในวันเดือนหกเพจนั้นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าห า, ออหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบนิ่งลงเป็นหนึ่ง พอนิ่งลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์รู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองว่าโอเพนิวาสารุจติยานระลึกชาติขนหลังได้น่ยหลักของพระพุทธศาสนาให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้าท่านไปนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบท่านรู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองร่างกายเนี่ยคืออันหนึ่งจิตใจนั่นคืออันหนึ่งร่างกายเหมือนกับรถหลวงพ่อบอกเปรียบเทียบให้ ลูกหลานคณะสัทธา ญ, ญาติโยมฟังร่างกายเหมือนกับรถตจจิตใจนามธรรมเหมือนกับคนขับรถโซเฟอร์รถอยู่ในร่างกายของเราร่างกายของเรามีสองในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทว่ า, ารูปประธรรมรูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจแต่ในหลักพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้ความสาคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปประธรรม ท่านจึงยกเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นพุทธภาษิตว่ามโนปุพังคัมมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจสรุปแล้วก็คือรถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วแล้วด้วยด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ขึ้นไปขับแล้วโซเฟอร์จะเอาไปชนกำแพงรถคันนี้ก็ เออหัวหยุบหัวบูไปได้เอาลงตกเหวก็ได้เอาไปที่ไหนก็ได้เพราะว่าโซเฟอร์เป็นผู้ขับรถนี้ก็เหมือนกันท่านจะว่าให้ความว่าสำคัญว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าออถ้าใจโมโหขึ้นมาเออไม่พอใจขึ้นมาเอาเชือกมาแขวนคอตัวเองรถคันนี้ก็มันก็อยู่มันก็ถูกแขวนคอเหมือนกันเพราะเหตไรเพราะนามธรรมาคือใจดวงนั้น เ, ออเป็นใหญ่ สั่งให้มันทำอย่างไรก็ได้กายอันนี้เพราะฉะนั้นหลักทำคําสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายอบรมทางด้านจิตใจใจนั่นแหละเป็นตัวการใจนั่นแหละเป็นผู้บุกเป็นตัวสําคัญในร่างกายของพวกเราเพราะฉะนั้นสมควรยิ่งที่ใจของเราจะได้รับการอบรมได้รับการอบรมทางใจนั่นคืออะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าทว่าเนี่ยรับรการอบรมทางใจคือนั่งสมาธิ พอนั่งสมาธิเสร็จแล้วนะจิตใจของเรารวมสงบพอจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายนั้นเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะเหมาะสมในการเป็นอยู่ของพวกเรา น, ะนี่แหละเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงลงแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกให้ทำสมาธิ ท่านก็บอกว่าในเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจผ่านความสงบแล้วเราจะมองได้การประพฤติของเราการวางตัวของเราเราจะทำยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเหมาะสมที่สุดในการเป็นอยู่ของตัวเองนั้นเพราะนั้นท่านจึงว่าการเป็นอยู่ของเราอันดับแรกก็ควรจะมีการเสียสละเพราะร่างกายนี่อาศัยซึ่งกันและกันพวกเราจรึงว่า เป็นญาติธรรมหรือเหมือนญาติพวกเราเนี่เหมือนญาติต้องอาศัยเสื่องกันละกันเมื่อการอยู่ด้วยกันเหมือนญาติเราก็ต้องสงเคราะห์กันท่นี่ในการสงเคราะห์คืนมีฐานะทนีมีฐานการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละพ่อแม่พวกพวกเราก็เสียสละให้กับพวกเราตั้งแต่เราเกิดมาแต่ใหม่ใหม่เราก็ไม่รู้เรียงสาภาวะแบบอกแต่เราพ่อแม่ก็ต้องให้น้า ให้นมให้ที่พักพาอาศัยดูแลเราจนถึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ละ่ะอันนี้ก็คือได้รับการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์จากพ่อจากแม่จากนั้นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็เลี้ยงลูกของเราเราก็รู้เลยรู้ได้ว่านี่แหละพ่อแม่เลี้ยงดูเรามานั้นยากขนาดไหนลาบากขนาดไหนนี่แหละอันนี้ก็คือการเสียสละในการเป็นอยู่ พวกเราต้องมีการเสียสละในวัานะคือการเสียสละจากนั้นก็ให้อามิรทานอามิรทานคำนี้คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์สามีภรรยาลูกหลานวงศานายาตะลอดตลอดถึงทำบุญทำทานในพระพุทธศาสนาอันนี้เรียกว่าอามิรทานการเป็นอยู่ต้องมีการมีน้ำใจต่อกันมีการเสียสละต่อกันถ้าคนขี้ตีทีเหนียว ไม่มียาม่การไม่ยอมเสียสละให้กับใครคนนั้นจะไม่มีพี่มีน้องจะไม่มีวงศาคาญายาตจะไม่มีใครต้อนรับขับสู้จะไม่ไม่มีใครนับเนื่องว่าเป็นญาติโกโหติกาพ่อให้ไรเพราะเราพึ่งพาอาศัยไม่ได้เป็นคนขี้เป็นคนเห็นเห็นแก่ตัวเป็นคนขี้ตะนีทีเหนียวนี่อันนี้แหละคือคนไม่มีไม่มีการเสียสละจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคณิตาทายญาติโจมลูกหลาน อันนี้เรียกาอาภิษทานอาภัยทานคือคนพวกเราอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาหรือวงสาคานายาถ้ามีความผิดอะไรขึ้นมาเราจะไปถือโทษโกรธเครืองทีเดียวเราต้องดูเจตนาเป็นหลักถ้าว่าเขาไม่เจตนาหรือเขาเจตนาก็เถอะเขารุ่มหลงมัวเมาเขาโมโหโกธาเราก็ยินดีอโหสิให้ซึ่งกันและกันอย่างที่หลวงพอว่อยินดีอโหสิกรรม ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็พร้อมที่จะ ย, ยินดีโอโหสิการผูกพยาบาทอาคาตจองเวรกับมันก็เท่านั้นมันจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะนั้นอนะ่เรียกว่าอภัยทานนะวิทยาทานก็เมื่อเขาด้อยกว่าเราเราจะสงเคราะห์เขาได้ยังไงหาวิชาอาชีพให้กับเขาสงเคราะห์เขาเให้วิชาความรู้กับเขา เ, เขาเมื่อได้วิชาความรู้จากเราแล้ว เขาก็าเลี้ยงชีวิตของเขาได้อันนี้เราวิทยาทานแล้วก็ธรรมทานก็นอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังมาฟังจากหลวงพ่อหลวงพ่อให้ฟังว่าอันนั้นดีนะอันนั้นชั่วนั้นอันนั้นบาปบุญคุณโทษตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะ mm hmm. ถึงจะพวกเราจะเลี้ยงร่างกายก็เลี้ยงไปเถอะนะอผอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบของร่างกายสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อให้ธรรมทาน ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก่นําไปกลั่นกรองไตร่ตรอ ง, รรองด้วยเหตุและผลว่าจริงไหมที่หลวงพ่อเราได้พูดให้พวกเราฟังเนี่ยนะจากนั้นพวกเราก็นําไปคิดเออใช่จริงแต่พวกเราอย่าไปให้ความสําคัญแต่ร่างกายอย่างเดียวเราควรจะให้ความสําคัญทางด้านจิตใจด้วยอย่างที่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่ามาโนปุพังใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า จากนั้นเราจะให้ความสำคัญยังไงเราจะอบรมทางด้านจิตใจอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีจากนั้นเราก็ศึกษาอะไรนศึกษาในหลักธรรมคำสอนพระพุะองค์สอนว่าให้นั่งสมาธินะทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่พรหมโลก นิพานมีจริงหรือไม่เนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราคือสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นสายของหลวงปู่มั่นท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก่อนเนี่ยตะพายบาดแบกกรดเข้าไปสู่ภูผาป่ า, ปาไม้ไปอยู่ใน ภูเขาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นตามวัดต่างๆท่านไปเพื่ออะไรไปเพื่อสาะแสวงหาความสงบเมื่อจิตใจของท่านไปนั่งภาวนายอยู่ในสถานที่สงบสงัดแล้วใจของท่านรวมสงบเร่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติเหมือนกับทําคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงยอมรับในภาคปฏิบัติว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นของจริงเแม่ผู้ปฏิบัติจริงย่อมรู้จริงเห็นจริงตามแนวแถวของพุท ธ, ธะจากนั้นท่านจึงในแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวกับพวกเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะองค์ไหนก็องค์นั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านทําใจจิตใจของท่านให้สงบเมื่อจิตใจของท่านสงบแล้วท่านท่านรู้ได้รู้จริงเห็นจริงตามแนวแถวของพุท ธ, ธะในเมื่อท่านรู้จริงเห็นจริงแล้วนะท่านปฏิบัติอย่างไรที่นี่นะ ท่านก็บอกว่าเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วเดินวิปัสสนาเนอะนี่แหละให้เดินวิปัสสนากันพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายสังขารของเราเนี่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะเมันถึงจุดจบของมันแต่จิตใจของเราเนี่ยทำไมออกจากร่างแล้วไปที่ไหนออกจากร่างแล้วถ้า่าใครทำกรรมดี กรรมดีก็จะให้ผลถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลเพราะนั้นกรรมจําแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย แ, แตกแตกต่างกันพวกเรามาด้วยกันเนี่ยตั้ง400กว่าคนเกือบ500คนดูสิหน้าตาเหมือนกันมีอวัยว ะ, วะแขนขาเหมือนกันแต่อากับกิริยานิสัยไม่เหมือนกันการพูดเออก็ร่างกายก็ไม่เหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกันทำไม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมกรรมจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแตกแต ก, แ ต, กต่างกันคิดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันในเมื่อคิดทำพูดไม่เหมือนกันกรรมเหล่านั้นจำแนกให้สรรพสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วก็แตกแตกต่างกันใช้กรรมของใครของเราเพราะนั้นบางคนก็ เ, ออเสียองค่าบัางเป็นบ้าใบบ้าบง หูหนวกตาบอดบังไปลหลายๆลอย่างอันนั้นธนว่ากรรมชั่วให้ผลถ้าว่ากรรมดีให้ผลเกิดมาแล้วก็สมบูรณ์ร่างกายร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็การทามาหาเลี้ยงชีพก็ไม่ขัดตกบกพร่องออง่ายต่อการทามาหาเลี้ยงชีพอันนั้นแปลว่ากรรมเก่าใ น, ในอดีตให้ผลเพราะนั้นพระองค์มองในเที่ยงคืน ในเที่ยงคืนวันที่พระ อ, องค์ได้ตัดสรู้เนี่ยว่าจุตูปะปาตายานการจุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างไรพระ อ, องค์ก็รู้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาด้วยกรรมกรรมคือการกระทําเพราะนั้นพระ อ, องค์จึงตัดว่าอักตะังดุกตะตังเสยโยปัชชาตะปติดุกกตังคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่า เมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละบ้านเมืองทุกวันนี้อย่างพวกเราท่านทั้งทั้งหลายได้เห็นอพอทำกรรมเข้าไปแล้วกรรมชั่วเข้าไปแล้วแกคิดว่ามันจะแล้วแต่เขามาค้นคืนมาว่าคุณทำสิ่งที่มันชั่วนะจุดนั้นจุดนี้เข้ามามันผิดกฎหมายบ้านเมืองนะ จากนั้นก็เมื่ออายุเท่าแกก็เข้าคุกเข้าตารางกันเดินเข้าคุกเข้าตารางกันคอตกเป็นหลายหลายคนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้ซ้ำไม่ได้เติมแต่พวกเราท่านท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าพวกเราท่านทั้งหลายไม่ซ้ำรวมไม่ระวังก็จะเดินอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะเป็นหลักธรรมชาติที่ว่ากรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่า เมื่อเรารู้ว่ากรคำชั่วที่มันผิดกฎหมายเราอย่าทำเเลยดีกว่าเมื่อเราทำลงไปแล้วเมื่อมันผิดกฎหมายแล้วคำชั่วมันผิดเมื่อทำลงไปแล้วกฎหมายให้ผล เ, เราจะได้เข้าคุกเข้าตลางเมื่อภายหลังสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพระนจัต ย, ยาญาตโยมลูกหลานทุกคนในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันรำชั่วอย่าทำเเลยดีกว่า เมื่อกรำชั่วเมื่อทําลงไปแล้วเมื่อตายลงไปแล้วพวกเราจะตกนรกเอ่อกำชั่วจะให้ผลเออลงไปสู่นรกเผาไหมาอยู่ในนรกออกจากนรกมาแล้วก็จะมาเกิดเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์ดิบฉันหรือมาใช้กรรมอีกอย่างพระโมก ค, คลาอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเที่ย่ข้างซ้ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหันประพักไปทางทิศเหนือเนี่ยทางท ทิศเหนือเดียเ๋ยวนี้คือองค์ที่อยู่ข้างซ้ายเนี่ยคือพระโมกขลาถูกโจรฆ่าที่เมืองที่กรุงราชคือพระสงฆ์ทั้งหลายคนทั้งหลายก็แตกตื่นกันว่าโอ้พระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําไมถึงถูกโจรฆ่าหนอทำไมไม่ไม่สมควรตายเพราะการความชั่วของคนอื่นอย่างนี้เพราะท่านมีฤทธิ์มีเดชอีกต่างหากเหาะเหินเดินฟ้าได้อีกต่างหาก แต่ทำไมท่านจึงมาตายถูกโจรฆ่าคนทั้งหลายโจดขานกันมากราพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบอกว่าโมกคลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตคือในอดีตพระอบพระโมคขลาได้ทำกรรมเอาไว้ตอนนี้พร ะ, พระคนทั้งหลายก็ถามว่ากรรมอันไหนหนอพระเจ้าค่าที่พระโมคคลาถูกฆ่าในในชาตินี้ พระพุทธองค์บอกว่าในอดีตชาติโมคขลานเคยฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เรียกว่าอนันตรียกรรม5มาตุคาดฆ่ามารดาปีตุคาดฆ่าบิดาท่านฆ่าทั้งสองคนเลยนะพ่อแม่ตาบอดท่านก็ฆ่าเพราะในการยุโยงส่งเสริมจากภรรยาของท่านในชาตินั้นท่านก็เลยฆ่าพ่อแม่ของท่าน นั่นล่ะท่านก็ตกนรกอเวจีเช่นยาวนานทีเดียออกจากพ้นจากอเวจีขึ้นมาก็มาเกิดเกิดมาพบใดชาติใดกระโดนถูกฆ่ามาตลอดทุกพพทุกชาติถึงจะมาเกิดเป็นมาเกิดชาตินี้เป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจา้าเป็นผู้เหาะเหินเดินฟ้าเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชพระพุทธองค์ก็บอกว่าฤทธิ์ดเดชสู้กรรมไม่ได้กรรมตัวนี้นะ่ะเหนือกว่าฤทธิ์เดชเออ อิทธิฤททั้งหลายสู้กรรมไม่ได้กรรมเหนือกว่าฤทธิเดชทั้งหลายเพราะฉะนั like ้นพวกขราสมควรตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้นั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสัตว์กนัชสัตยาธิโยมทุกๆุหมู่เหล่าให้ฟังเอาไว้ว่าการทํากรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเออได้รับความทุกข์ยากลําบากกิตใจเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสออกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเคาพวกเราท่านทั้งหลายได้เคารพศักดิรัทเป็นที่ยอมรับกันออทั่วนหน้าว่าคือกระดูกของพระอรหรันต์ เพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาในยุคนี้ยุคนี้สมัยนี้ได้กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอระหันต์พวกเราน่าจะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิง่งเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีโซเฟอร์ของเราต้องการกรองไตรตองนะการกรองไตรตองด้วยเหตุและผลอย่าทําสิ่งที่มันไม่ดีให้ทําแต่สิ่งที่ดีเป็นศีลเป็นธรรมพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญการกล่าวสมโภถนิยกถา ในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจขุนพัีรัตนาไตรพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วสากลโลกบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสขอให้มาคุ้มครองคณาะจายญาติโยมลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นเย็นใจแล้วก็มีขอให้มีความ มั่งมีสีสุขร่ำรวยโชคดีทุกทุกท่านด้วยเธิน